พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าสุกหนอสุกหนอสุกหนอในวันนี้เป็นวันที่24ี่ ธันวาคมพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันอุโบสถของพวกเราเราฟังพระปฏิโมกจบกรงสักครู่นี้เป็นวันเดือนหนึ่ง<ม>เดือนหนึ่งดับแรมส4บสี่ค่ำเดือนหนึ่งปีพุทธศักราช2555ละถ้าเป็นจันทรคติ แต่ยังอยู่ในสุระยะคติอยู่คือทางโลกอยู่ก็ยังเป็นเดือนธันวายังเป็นสองพันห้า้อยห้าสิบสี่ถ้าเป็นจันทรคติแล้วก็ห้าสิบห้าแล้วล้ำล้ำไปเดือนหนึ่งแล้วแต่พวกเราได้ลงอุโบสถวันนี้ได้สวดพระปฏิโมกได้ฟังร่วมกันทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันก็มีพระ ขึ้นมาสวดแสดงพระปฏิโมกพูดถึงศีลและวินัยตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายศีลของพระต้องเอามาทบทวนต้องมาปัดฝุ่นต้องเอามากระตุกอยู่เสมอเพราะกิเลสของพวกเราผู้ที่มีกิเลสอยู่ โดยมากมันจะไหลไปทางตามใจตัวเองชอบถ้าไม่พูดถึงวินัยไม่พูดถึงกฎระเบียบเฉยเลยก็ยังทะเลทลายแต่บางครั้งบางองค์บางคณะก็บอกว่าถ้าผู้ผมีธรรมแล้ววินัยไม่ต้องรักษาหรือใช่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าผู้มีธรรมแล้วยิ่งเคารพวินัย ไม่ใช่ว่าผู้มีธรรมแล้วก็ล่วงละเมิดจนผู้ผู้คนดูไม่ได้จะทำอะไรก็ทำขุดดินฟันไม้กินข้าวแรงแกงร้อนจะทำอะไรก็ทำอันนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าผู้มีธรรมแล้วต้องรู้จักไม่ใช่รักษาแต่ตัวเฉพาะตัวของตนตนเองต้องรักษาพระศาสนาต้องรักษาวงการเอาไว้ ถึงตัวเองจะรู้ทำเห็นทำหมดจดจากกิเลสแล้วแต่ก็ต้องรักษาพัฒนาเอาไว้เพื่อรักษ า, าไว้เพื่อกุลบุตรจุดท้ายภายหลังเขาจะได้ดำเนินถูกต้องไม่ใช่ว่าเร า, เาได้มาแล้วก็เราก็ทำตามอำเภอใจทำมตามมัาใจใต่อไปภายภาคหน้าผู้ที่มีกิเลสเขาก็ยึดได้ง่าย ยึดตามที่ตัวเองพาทำพอเสร็จแล้วก่อนนะนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้ผู้หมดกิเลสไม่รู้ผู้มีกิเลสไม่รู้ผู้มีธรรมไม่รู้ผู้ไม่มีธรรมเ ท, ท่นี่คุกครากันไปหมดพุทธศาสนาเป็นผลเสียต่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นผลเสียต่อต่อสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นผู้มีธรรมต้องคำนวณไม่อยุ่เสมอต้องคำหนึ่งไม่หยุ่เสมอว่า การที่จะทําสิ่งไหนก็ตามถ้ามันผิดหลักพระธรรมวินัยแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนาอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังขนาดเพียงพระปฏิโมกต์เท่านั้นเองอย่างพระมหากบินท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านบวชมาแล้วท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ฉันในปฏิชมพิทายานอีกต่างหากท่านไปที่ไหน ท่านได้สาเร็จแล้วทั้งกว่าสุกหนอสุกหนเอคล้ายๆว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เครื่องพันธนาการทางด้านจิตใจของท่านท่านไปที่ไหนไม่แต่บน่นหรือว่าลาพึงโอ้การบวชในสุกหนอ่อไม่มีอะไรที่จะมาผูกพันเราเหมือนกับคนที่หายจากโรคไม่มีโรคเหมือนกับคนที่มีนี่ศีลพลุงพลัง ใช้นี่สีลหมดแล้วเหมือนกับนกอยู่ในกรงในที่คุมขังออกจากที่คุมขังเหมือนกับเราอยู่ในคุกในตารางออกมาจากคุกออกมาจากตารางเป็นอิสระเป็นไทยแต่ก่อนเมือ่อเราเป็นทาสรับใช้คนอื่นแต่บัด น, นี้เราเป็นไทยท่านเขบอกสุขหนอแต่ก่อนเป็นผู้รับใช้กิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกับเตะ จิตเตะใจของเรากริ้งเหมือนลูกฟุตบอลแต่บัดนี้เราเป็นไทยกิเลสเตน่ะใจของเราไม่ได้หลอกใจของเราเป็นไทยแล้วไงเพราะนั้นท่านจึงท่านไปนักสถานที่ใดท่านยังว่าสุกหนอสุกหนอแลไม่มีอะไรที่จะมาครอบงําความบริสุทธิ์ของท่านคือใจของท่านคือธรรมของท่านได้ฮงจนพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านมหากบินเนี่ยท่านคงจะลำพึงสมัยเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีอัคคีเหสีมีฉนมนารีการเที่ยวสนุกจันนานเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็มาบวชแล้วก็ท่านยังลําพึงอยู่สุขหนอสุขนอนท่านคงจะลําลึกถึงอดีต ท, ท, ที่ผ่านมามาท่านจึงได้เผอออกมาอย่างนี้พระสงฆ์ที่มีกิเลสก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพราได้ยินในเต็มหูอ่ะพระพุทธเจ้าก็เรียกมหากบิน เขามาถามมาหากบินเธอได้ลำพึงอย่างนั้นจริงไหมจริงพระเจ้าค่ะทําไมเธอจะลำพึงเพรว่าสมัยก่อนข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลประเทศชาติต้องดูแลความรอบขอบเขตของประเทศชาติบริหารจัดการข้าราชการไผ่้พพาประชาชนทํามาค้าขายต่างประเทศเพื่อจะเอาเงินมา ดูแลประเทศของตนเองปกป้องประเทศของตนเองตำรวจทาหารแต่และ ว, วีแต่ละวันต้องคิดแล้วคิดอีกประชุมแล้วประชุมอีกกันกลองแล้วกันกลองอีกไม่รู้ว่านักโทษตัดสินประหารตัดสินอย่างไรผิดหรือถูกมันล้วนแล้วจะเป็นแนวความคิดจะต้องไใช้ความคิดทั้งหมดแต่บัดนี้ข้าพระองค์ในปล่อยปะละวางหมดแล้วเป็นอิสระ เหมือนกับคนที่มีหนี้แล้วก็ปลดหนี้ออกหมดแล้วเหมือนกับเราเป็นทาตแต่ออกมาใช้หนี้เป็นทาตออกมาจากเป็นทาตและเป็นไทยแล้วเป็นอิสระข้าพระองค์ยิงว่ามีความสุขจริงๆในการบวชพระพระองค์นี่แหละมหากบินท่านเป็นพระหรหันแล้วไม่ควรจะใส่โทษท่านที่ท่านพูดนะคือท่านมันมีมความสุข บรมสุขในใจของท่านจริงๆนะจากนั้นท่านก็วันหนึ่งวันอุโบสถอย่างนี้นะ่ะท่านก็เข้านิโรธสมาบัติคือเข้านิโรธสมาบัติพระหันเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตพระหันสามจำพวกนะแต่สุขวิปจโกสุขวิปจโกเนะเข้าไม่ได้พระหันมีอยู่สี่จำพวกนะ ส, สุขวิปสุขะวิปจโก เตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปัโตสามหลังเนี่ยแปลว่าเข้านิโรธจะมาบัตดได้แต่สุขวิปัสสโก่เนี่ยเข้าไม่ได้เพียงแต่ว่ารู้ว่าตัวเองหมดกิเลส ช, ชำระกิเลสละโรคโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะกันเดนออกจากใจโดยเด็ดขาดไม่มีแล้วใจบริสุทธิ์แล้วเพียงแท่นั้นเท่านั้นแต่เป็นพระหรหันเป็นพระหรหันเหมือนกันแต่ไม่มีไม่มีญาณทัศนะไม่มีฌาน แต่พระอรหันต์สาสามองค์หลังเนี่ยท่านใดเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตเนสามองค์ในเข้ามิโรตจมาบัติเข้าที่โรตจามาบัตนั่นคืออะไรคือเข้าสวยวิมุตติสุคือเข้าสู่นิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหาว่าเมื่อตายไปแล้วนะวะอนุปาที่เสสนิพพานคือเข้าสู่นิพพานเมื่อธาตุขันดับไปแล้วตายไปแล้ว อันนี้ว่าอนุปาที่เสสนิพพานอุปาที่เสสนิพพานเข้าสู่นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่พระหันสามเจ้าพวกหนึ่งเข้าเสวยวิพานนิพพานนยขณะยังมีชีวิตอยู่ขือว่าเข้านิโรธสมาบัติเมื่อขั้นท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านจะมองดูรอบด้านนะท่านจะไปนั่งที่ไหนที่โคนต้นไม้แล้ ว, ว่าที่ปลอดภัยที่ใดที่หนึ่งท่านจะตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะนั่งอยู่จุดนี้จนถึงวันที่เท่านั้นเราจรึงจะออกจากนิโรธสมาบัตจากนั้นท่านก็นั่งประสานนั่งสมาธินิ่งแต่ว่าใจของท่านออกจากร่างพูดง่ายๆแต่เหมือนกับท่านเหมือนกับโซเฟอร์เนี่ยติดเครื่องรถออกติดเครื่องรถไว้แล้วนะสตาร์ทเครื่องรถไวนะ้แต่ว่าโซเฟอร์เดินออกไป เดินออกไปจากรถไปทำธุระไปพักผ่อนไปทำอะไรก็สุดแ ท, ท้แต่ซูเปอร์อันนี้คือพระรหันเข้าสู่ น, นิพพานเข้าสู่วิวิมุตติสุขแต่ว่าร่างกายเนี่ยยังอยู่ยังติดเครื่องอยู่รถน่ติดเครื่องฉึงฉึงฉึงึ ง, ง, ง, งธรรมดารถติดเครื่องม่ต้องกินน้ามันแหม่ผมยังติดเครื่องอยู่ยังละหายใจอยู่ แต่ว่าในขณะที่พระอาหารหันต์เข้าสู่นิโรธสมาบัตินั้นท่านตั้งกิตติฐานครอบท่านปีอภินิหารทั้งหมดถึงจะใครจะมาทุกมาตีมาไฟเผามาฆ่ามาอะไรพระอรหันต์จะไม่ตายเพราะท่านมีอิทธิฤทธิคอบคลองคุ้มครองอยู่อย่างพระสารีบุตรท่านเข้านิโรธจะมาบัตอยู่ในกลางแจ้ง อ ย, อยู่ในลานหินออนลลาวะกะยักเหอะมาทางอากาศมาเห็นพระสารีบุตรนั่งอยู่ในลานหินคิดขนองขึ้นมาวะ่ตะต่พดของเราเนี่ยค้อนของเราค้อนยักษ์ของเราเนี่ยเราตีช้างเนี่ยยุบลงไปในแผ่นดินตีภูเขาก็ยุบตีอะไรต้นไม้อะไรแปลว่าไม่มีอะไรที่จะทานค้อนของตะบองของเราได้แต่เรายังไม่เคยตีหัวสมณะ มันมคิดอย่างหาทางบาปให้มนุษย์ของเราไอ้วิญญาณนี่ยักษ์เราไม่เคยตีหัวสมณะมันจะทนต่อตอบองของเราได้ไหมพอผลในสูดก็ลงมาจากอากาศเข้าไปก็ตีหัวภาษาเรบูดเลยตีทางตีใหงตีลงมาเก็เราตีตีหลักอย่างนั้น่ะตีตอ่อตีหลักให้มันยุบลงเลตีปังเลยบอ่ ภาษาลีบุตรหินแผ่นดินเนี่ยยกลงไปอถึงถึงเอวว่างั้นนะถึงเอวตียกลงไปถึงเอวกําลังถอยล่งางออกมาอีกกําลังจะเข้าไปตีอีกตีสองบัดบัดสองนะพอตีจิตีครั้งที่สองท่านเนี่ยนะแผ่นดินแยกเลยแผงดินแยกแยกออกมายักษ์ตนั้นหนีกำไม่พ้นเอกเหมือนกัน บาปกรรมคือการกระทำตัวเองยากตอนนั้นก็หงายหลังลงอเวจีมหานรกในเดียวนั้นเล ย, ยงั้นเนี่ยแผ่นดินสุบไอละวะาวกะยักษ์ลงไปสู่อเวจีมหานรกแต่ภาษาเลปุตรไม่มีอะไรที่จะทําให้ละลายเครืองในผิวแม้แต่หน่อยเดียวอะแต่นี่ยกัยกษ์ตัว น, นั้นก็เลยลงอเวจีไป ในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่แผ่นดินสูขมีอยู่ห้าพระเทวทัตหนึ่งสุปปพุทธปปะทธหนึ่งจินจามนาวิกหนึ่งแล้วก็มานบที่ข่มคืนนางอุบลละวันนาหนึ่งแล้วก็เนี่อลาวกายักษ์นี่แหละที่แผ่นดินสูขฮะสู่อเวจีม า, านรกแต่พวกเราก็สงสัยอีกเหมือนกันนะว่าทำไมภาษารีบุตร ก่อนที่ท่านจะนั่งเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านจะไม่ได้คิดเลย ว, ว่าจะมียักษ์มาตีท่านอันนี้ก็ไม่มีตําราขึ้นมาพูดอีกเหมือนกันนะถ้านรู้จักว่ายักษ์จะมาตีเนี่ยท่านทําไมถึงเข้านิโรธสมาบัติท่านอาจจะอาจจะเป็นกรรมของยักษ์ไม่น่าจะเรื่องอะไรอันนี้สุดแท้แต่เร า, าเราจะคิดอีกเหมือนกันนะแต่ผลี่สุดยักษ์ตัวนั้นก็ตกลงเอเวจีมหานรกยังไม่ขึ้นกระทั่งทุกวันนี้ นี่แหละคือพระที่เข้านิโรธสมาบัติแต่องค์ไหนเข้านิโรธสมาบัติแล้วบันนี้ออกจากนิโรธสมาบัติออกมามาโปรดใครมาบินทะบาทกับใครมาโปรดใครคนนั้นเหมือนกับบุญกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัตินี่แหละอันนี้คือขณะที่ท่านนิโรธสมาบัติคือท่านเข้าสู่นิพพาน เข้าสูสูญิพานชั่วข้าวเจ็ดวันหรือวันหนึ่งหรือก็สุดแท้แต่ท่านจะเข้าเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนท่านตั้งจิตในที่ฐานของท่านได้ทั้งนั้นอันนี้ก็คือพระอรหันต์แต่ในทามาพูดถึงพระมาหากบินเดในวันอุโบสถอย่างนี้ท่านก็บอกเออเราเป็นพระอรหันต์แล้วกายกรรมวจีกรรมของเรา ในการที่จะล่วงละเมิดทางศีลเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีเจตนาแม้แต่น้อยหนึ่งที่เราจะล่วงละเมิดทางศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพราะนั้นเราไม่ไปลงอโบโสถละวันเนี่ยเราจะเข้ า, าสวยวิมุติสุขเราจะเข้าสูนิพานอันนี้ว่าอุปาทิเสชนิพานธเข้าสูนิพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างที่ว่า เ, เข้านิโรธสมาบัติแต่ท่านท่านก็นั่งเข้าเข้าสมาบัตินะ พระพุทธองค์รู้ด้วยญาณทัศนะเหมือนกันยู้ด้วยฌานของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเออมหากระบินธรรมอย่างนี้ไม่ถูกนะถ้าว่ามหากระบินธรรมอย่างนี้ต่อไปภายภาคหน้าท่าว่าพระไม่อยากจะลงโบสดก็ไม่อยากไม่ลงเข้าสมาธิเดินโยกรมซะว่าเนี่ยในการเดินโงกรมและการภาวนาของเราเนี่ย อ, อก็ไม่จําเป็นจะต้องไปลงอุโบสถ ไปนั่งฟังพระปฏิโมกถ้าพระทำอย่างนี้ต่อไปมากๆแล้วอุโบสถมันจะจะมีมีใครหลงอุโบสถไม่มีไฟฟังพระปฏิโมกศาสนาของตถาคตจะอยู่ได้อย่างไรถ้าพระสงฆ์ขนาดพระอระหันต์ได้ยังไม่ครบสิทธข้าบทวินยัยพระพุทธองค์รู้เท่านั้นแหละก็เดินไปเหาะไปด้วยลิศไปก็ไปเหยียบ เหยียบฝ่าเท้าลงที่นั่นน่ะใกล้ๆที่พักของพระมาหากระบินห่อร้อยเหยียบลอยเท้าไว้พอมาหากระบินออกจากนิโรธสมาบัติออกจากสมาธิออกจากฌานสมาบัติแล้วเดินไปไปเห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านก็ฮูเหตุละมีเหตุละเกิดเหตุแล้วท่านรู้เลยว่าเกิดเหตุแล้วเนี่ย จะนั่นแท้ก็มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามหากระดิน เ, เธอจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้เธออยู่ในศาสนาเธอเป็นอยู่ในกลุ่มของสงฆ์ต้องรักษาวินัยถ้าพวกเธอไม่รักษาวินัยต่อไปภายภาคหน้านะ่ะใครจะเป็นคนรักษาต่อไปก็จะหมดโดยปริยาย อ, อ, องค์นั้นก็บไม่จําเป็นตรงนี้ก็บไม่จําเป็นข้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว ข้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วใจของเราเป็นบุพภูบริสุทธิ์แล้วไม่จําเป็นจะต้องรักษากายวาจาก็ได้เพราะใจของเราบริสุทธินะ์แล้วแล้วองค์ที่ไม่ได้อย่างนั้นแหะบางทีก็ว่าข้าบริสุทธิ์แล้วแต่ทั้งที่ไม่บริสุทธนะิ์เพราะดัน ท, ทุลังไปทางกิเลสนะและจะทํำยังไงศาสนาของตถาคตคงจะหมดโดยปริยายโดยเร็ววันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายรักษ า, ากดรักษาระเบียบรักษาวิ น, นัย เอาไว้ศาสนาของเราตถาคตจะยืนนานเท่านานนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาถ้าเรามาพิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วพระพุทธเจ้ามีเหตุผลถูกต้องถึงจะได้สำเร็จมักสำเร็จผลก็จริงอยู่แต่หลักพระธรรมวิ น, นัยคือหลักพระธรรมวิ น, นัยถ้าผู้ที่ได้มักได้ผลทางด้านจิตใจแล้วก็ยิ่งเคารพ ริง่งรักเคารพในหลักพระธรรมวินัยเพราะอันนี้คือเป็นหนทางให้คนที่ยังตามยังมืดบอดอยู่ตัืว่ายังอ่อนแออยู่เมื่อเราไปถึงไปถึงที่ถึงทางแล้วถึงฐานแล้วเราก็ต้องพยายามทำถนนหนทางให้แก่พวกน้องๆพวกหลุนน้อง เ, ออเดินตามสายนี่เนอข้าเดินมาแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วให้พวกท่านทั้งหลายเดินมาตามสายนี้นะ ให้ถ้าว่าบอกแนวทางเขาตัวเองก็เป็นผู้รักษาทางถนนหนทางให้เขาเาพราะพุทธศาสนาก็จะดำรงทรงไปนานเท่านาน อ, าอันนี้ก็คือพวกเราต้องได้คิดไว้เพราะนั้นเรื่องหลักธรรมวิเนียที่ผมได้กล่าวมาถึงจะอําบัตรเล็กน้อยก็ดีจะเรื่องการอยู่การชั้นการหลับการนอนการอะไรก็ดีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราต้อง เยึดเราต้องฟังเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยสัมโรมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลคือให้ศีลเป็นพื้นฐานถ้าพวกเราเป็นผู้มีศีลแล้วการที่จะทําสมาธิก็จิตใจก็สงบได้ง่ายแต่คนไม่มีศีลผิดทำผิดวินัยไม่ละลาบระล่วงในหลักพระธรรมวินัยจะภาวนามันจะสงบไม่ได้นะ พรเหตุไรเพราะมันทําผิดวินัยเอเหมือนกับคนไปต้องโทษมาแหละคนต้องโทษมาไปทําความชั่วเสียหายมาจะให้ใจของขอเป็นปกติเป็นไปไม่ได้พอเห็นตํารวจแล้วเห็นอไปขึ้นพิพากษาอายการท่านขึ้นไปนั่นก็รู้สึกวมประมาเลอใจก็ตุบๆต่อมๆตุบๆล่ะเพรไหตุรเพราะตัวเองไปทําผิดมาแต่ถ้าว่าคนไม่ทําผิดไม่เคยทําผิดเลย ถึงจะท้วงติงยังไงเราก็มั่นใจว่าข้าไม่ข้าพระเจ้าไม่ได้ทําอย่างนั้นข้าพระเจ้าทําถูกตามหลักพระธรรมวินัยตามกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้ทําอย่างที่เขากล่าวหาเราก็มั่นใจอันนี้ก็เหมือนกันเน่ยเราทําถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วเราจะนั่งภาวนาใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเป็นศีลเป็นธรรมอยู่ในจิตใจใจของเราก็เยือกเย็นนะ ไม่เดือดไม่ร้อนไม่บุญไม่วายเพราะว่าใจของเราอยู่ในกดอยู่ในระเบียบไม่ได้ผิดทำวินัยไม่ได้ผิดศีลเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศีล ส, สมาธิปัญญามันเกี่ยวเนื่องกันศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิก็คือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้รวมสงบเป็นหนึ่ง มีสติสัมปชัญญะจิตใจไม่พุ่งไม่ปุ้งไม่ฟุ้ ง, ไ ม, งไม่สานสมาธิปัญญาคลื่ยคลายดูอันไหนผิดอันไหนถูกเราหลงอะไรเรารักอะไรเราโลภอะไรกันกรองด้วยหลักด้วยปัญญาขี้คลายด้วยปัญญาเห็นรู้แจง้งเห็นจริงด้วยปัญญาจากนั้นก็สลัดกิเลสออกจากใจได้ด้วยปัญญาแต่ถ้าว่าจะ เราจะคิดปัญญาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เพราะปัญญาตัวนี้มันต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องกล่อมเกลาซะก่อนเป็นเครื่องฝึกอบรมซะก่อนแล้วสมาธิก็เป็นศิลเป็นเพื่องอบรมซะก่อนเป็นมาจากศิลคนอยู่ในกฎอยู่ในแระเบียบดีแล้วสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายในเมื่อสมาธิอบรมใจ ไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านหรอกนำใจที่ไม่ฟุง้งไม่ซ่านมาพิจารณาการกลองไตรตรองเหตุและผลก็เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงจะปล่อยจะละจะวางสิ่งไหนก็เห็นได้ชัดเจนมั่นใจเห็นด้วยปัญญานะเพราะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นสิ่สมาธิปัญญาที่พระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมานี้ขอให้พวกเราสังเกตและฟังนะการกรองไตรตรอง ตามที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนผมว่าอันนี้ก็คือหนทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจสรุปแล้วก็คือมรรคแปดสินสมาธิปัญญาคือมรรคแปดสมาธิสัมมาสังกปรนนี่ก็คือปัญญากรรมมันโตอาชีโบนี่เป็นสินสมาสติสมาสมาธิน่ก็คือสมาธิ แต่ตามจริงตรงสมาธิสินสมาธิปัญญาฮะแต่ในมักแปรท่านก็นไล่ไปงเป็นว่าปัญญาซะก่อนปัญญาสินสมาธินีน่แหละอันนี้ก็คือท่านเรียงตามลำดับลำดับลำดับนั่นนะถ้าตอนนี้ไปสวดทายปฏิโมกลงไปแล้วขึ้นมาธรรวัดรร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะ